สิทธาบทที่7เรื่องพระชับขีหสี644สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัปปิฉับีแสดงธรรมแก่คนผู้คลุมสีษะพระบัญญัติ 7. เพึ่อทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้คลุมศีษะเรื่องพระชับีจบ สิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าคลุมศีรษะคือท่านกล่าวถึงผู้ห่มผ้าคลุมตลอดศีรษะภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้คลุมศีรษะภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้คลุมศีรษะต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้ ห้าภิกษุให้เขาเปิดผ้าคลุมศีรษะแล้วจึงแสดงหกภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัตสิกขาบทที่เจ็ดจบ